ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเองในแต่ละชาติทั้งสิน้นเมื่อตระหนักว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแ ล, Gotta, แล้วใครจะไม่ขยันทำดีแล้วใครเล่ลาจะกล้าทำชั่วนอกจากนั้นคุณจะพบว่ามีเพียงศาสนาพุทธ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 โลกนี้คือละค h บทบาทบางตอนชีวิตยอหยาบ ย, อบ ย, อบยอบ่อยชีวิตบางคนรุงเรื่องจำเริ่นสเนเดิเหมือนเดินอยู่บนอุนทางวิมา